Thank you. ว่าหนาวเย็นแบบนี้เนี่ยสังเกตดูใจของเราบ้างหรือเปล่านะว่าเป็นอย่างไรใจมีความรู้สึกยินร้ายไม่ชอบหรือว่าถึงกับบ่นโอดโอยหรือเปล่านะอย่าปล่อยให้กายมันหนาวแล้วใจก็เลยพลอยทุกข์เพราะความหนาวไปด้วย ถ้าเราปล่อยให้ใจทุกข์นะเพราะความหนาวอันนี้ก็เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองนะอย่างที่พูดไว้เมื่อวานอากาศหนาวนี่มันก็เพียงแต่มากระทบกายซึ่งทำให้เกิดทุกขเวทนาไอ้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมัน เป็นแค่ทุกขเวทนาทางกายซึ่งที่จริงก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะเพราะอากาศแบบนี้นี่มันยังไม่เรียกว่าหนาวเฉียบหรือหนาวจัดอากาศหนาวนี่มันก็ทำได้แต่เพียงทำให้เกิดทุกขเวทนาทางกายแต่ถ้ามีความทุกขทางใจนี่มันไม่ใช่เพราะอากาศหนาวนะแต่เป็นเพราะใจเราต้องหากหรือผู้ยานั่นคือว่าไม่มี สติดูใจของเราใจก็เลยโอดโอยนะหรือเกิดอาการยินร้ายขึ้นเราต้องหมั่นมาดูใจของเราบ้างนะเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งนะของของสติซึ่งเราทุกคนก็มีกันทั้งนั้นเรามีตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อรับรู้สิ่งภายนอกว่า ปลอดภัยไม่มีอันตรายไหมถ้ามีอันตรายก็จะได้หลบเลี่ยงหรือว่าจัดการภาษาสุงาง่าคือว่าถ้ามันเป็นอันตรายก็ถ้าไม่หนีก็สู้นะแต่เราก็ยังมีสติเอาไว้ดูว่ามีอันตรายเกิดขึ้นกับใจหรือเปล่านะอันตรายนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวหรือไม่ได อยู่ข้างนอกอย่างเดียวนะมันมีอันตรายที่อยู่ข้างในใจเราด้วยหรือเกิดขึ้นกับใจเราเรียกง่ายๆว่าความทุกข์ใจแต่ที่จริงถ้าจำแนงแล้วมันก็มีหลายอย่างนะความโกรธความเกลียดความน้อยเนื้อต่าใจความอิจชาความพยาบาทความรู้สึกผิดไอ้พวกนี้เนี่แหละเรียกว่าเป็นเป็นภัยหรืออันตราย ที่เกิดขึ้นภายในใจหรือเกิดขึ้นกับใจพระ เ, เจ้าเรียกภัยพวกนี้ว่าอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่เปิดเผยก็เช่นความร้อนความหนาวแบบจัดๆเลยนะร้อนอาถนาแบบนี้ยังไม่เรียกว่าอันตรายเท่าไหร่แต่คนที่ไม่คุ้นก็รู้สึกว่ามันมันบีบคั้นนะนอกจากอากาศ นาอากาศร้อนก็รวมถึงสิงสาราสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวขอรวมทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติเช่นน้ําเชี่ยวนะหรือว่าหน้าผาที่สูงเป็นอันตรายเนะี่ยอันนี้ว่อันตรายที่เปิดเผยรวมทั้งอาหารที่เป็นพิษเราก็มีตาหูจมูกลิงกตาจเนี่ยเอาไว้คอยดูสอดส่องเพื่อจะได้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง หนีได้ก็หนีนะถ้าหนีไม่ได้ก็ต้องจัดการอันตรายที่เปิดเผยบางอย่างก็เล็กน้อยนะแต่ว่าพอลอยพอเราเจอเข้าเราก็จัดการเลยเช่นยุงนะยุงมากัดยุงมามดมาไตา่มาตอมถ้าเราไม่มีสตินะเราก็ตบเราก็บี้เลยนะแต่ถ้าเป็นสัตว์ตัวใหญ่เราก็หนีก่อนหนีไปก่อนนะเจองูเนะี่ยหนีไว้ก่อนนะเห็นงูก็ สะดุงนะแล้วก็พยายามเดินทางบางทีไม่ใช่เดินกระโดดเลยนะอันนี้เป็นสัญชตาตญาณนะเรียกว่าเวลาเจอภัยนะถ้าไม่ถ้าไม่หนีก็สู้แต่ว่าภัยหรือสิ่งที่คุกคามคนเร า, าไม่ได้มีแค่นั้นนะอย่างที่บอกไว้แล้วมันเกิดขึ้นกับใจหรือเกิดขึ้นที่ใจเราด้วยก็คืออารมณ์ต่างๆที่เป็นอกุศล ซึ่งเรียกว่าความทุกข์ก็ได้ความทุกข์ใจคันนี้เนี่ยเรามีสติเนี่ยนะทำหน้าที่คอยระแวดระวังดูแลรักษาใจไม่ให้อันตรายหรือภัยเหล่านี้เนี่ยมาคุกคามจิตใจแต่เราก็มักจะไม่ค่อยใช้นะให้สติเนี่ย ก็คือว่าไม่ทำหน้าที่นะไม่ใช้สติให้ทำหน้าที่ดูแลรักษาจใจก็เลยนะมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นนะอาจจะเกิดกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะใจที่ยินร้ายนะไอ้ความยินร้ายนี่มันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะทีะ่บีบขั้นจิตใจบางคนก็ยินร้ายจกนกระทั่งไม่อยากลุกแล้วไม่อยากลุกไม่อยากมาทำวัดอยากจะนอนนะอยู่ใน อันนี้ก็เรียกว่านะไม่ได้ดูใจของตัวนะก็ปล่อยให้ความที่เกียดหรือความาความยินร้ายมันครอบงำก็ทำให้เสียประโยชน์นะจากการประโยชน์ที่จะได้จากการที่มาทาวัดหรือฟังธรรมรวมทั้งทำให้จิตใจอ่อนแอไปเรื่อยๆสติก็ไม่ได้พัฒนาแต่ถ้าเราอาฝืนใจนะใช้ขันตินะ พาตัวเองเนี่ยมาที่นี่น ะ, ะมันหนาวมันเย็นนะแต่ว่าก็พยายามอดทนแต่อดทนมันก็ยังไม่ไม่ดีพอนะเพราะว่าใจก็ยังมีอาการบน่นมีมีความยินร้ายอยู่แต่ว่าฝืนใจมามันจะดีกว่านั้นถ้าว่าเราเนี่ยมีสติเห็นใจที่บน่นใจที่โอดโอยหรือว่าใจที่ยินร้ายด้วย เพราะว่าถ้าเพียงแค่มีสติรู้ทันอาการเหล่านี้เนี่ยใจมันจะกลับเป็นปกติได้ความปกติอย่างนี้เราเรียกว่าสํารวมนะเป็นความหมายหนึ่งนะของคําว่าสํารวมเนะมื่อกี้เราเพิ่งเพิ่งสวดไปนะสาธยายนะเรื่องการสํารวมอินทรีย์นะ <c oughs> ซึ่งมาจากภาษาบาลีว่าอินทรียสังวร ความโซโลอินซีเนี่ยนะเราจะไม่ค่อยได้ยินแล้วอาจจะได้ยินคาว่าสํารวมกายวาจาหรือสํารวมใจสํารวมกายวาจาที่เรามักจะเข้าใจก็หมายความว่าดูแลรักษากายนะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เพ่นพานนะ <c oughs> ก็คือดูแลกายให้อยู่นิ่งๆนะ สัมรวมวาจาคือไม่พูดจาเพ้อเจ้อนะหรือว่าใช้เสียงโดยไม่จําเป็นก็ให้เงียบเงียบเอาไว้นะสัมรวมใจคือทําใจให้สงบแต่จริงเนี่ยคำว่าสัมรวมที่มาจากคําว่าอินทรียสังวรเนี่ยนะมันมีความหมายมากกว่านั้นเวลาเราพูดถึงสัรวมอินทรียสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ายา มองอะไรเล็กๆนะอย่ามองสิ่งที่ไม่ควรมองนะหรือว่าอย่าใชา้หูในการฟังสิ่งที่มันกระตุ้นเรากินเลดข้อหมายจริงๆก็หมายความว่าการดูแลรักษาใจไม่ให้ยินดียินร้ายเมื่อเห็นรูปทางตาเนะมื่อได้ยินเสียงทางหูเนะมื่อได้กลิ่นทางจมูกเนะมื่อได้รับรสทางลิ้นหรือทางปากอันนี้ต่างหากนะ นะคำว่าสำรวมเนี่ยก็คือการรักษาใจนะแม้ยินร้ายไปกับกรูปรสกินเสียงสัมผัสนะที่รับรู้รวมทั้งสิ่งที่ใจคิดนึกหรือว่าความคิดนึกที่มันเกิดขึ้นกับใจด้วยนั้นเวลาที่เรามีสติรู้ใจนะว่ามันกำลังบ่นโอดโอยโวยวายนี่อันนี้ก็เรียกว่ากำลังนะกลังสำรวมใจแนละ้ว แต่ถ้าเราไม่มีสตินะใจมันอดโอยตีโพยตีพายอย่างนี้เรียกว่าจิตไม่สํารวมนะหรือไม่สมรวมใจการมีสติมารู้ทันอาการที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันจะช่วยนะทำให้ใจเราเป็นปกติไม่เป็นทุกข์นะไม่มีอาการที่เรียกว่าซ้ําเติบตัวเองนะกายหนาวอันนี้มันก็พอแล้วนะ อย่าปล่อยให้ใจเนี่ยหนาวหรือใจเป็นทุกข์เพราะความหนาวไปด้วยอันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่ทำให้เราได้มาฝึกนะไม่ได้มาฝึกแค่ความอดทนหรือขันติธรรมนะแต่ยังฝึกสติได้ด้วยนะ่ะใช้แต่ขันติอย่างเดียวให้ใช้สติด้วยมาดูใจนะนะพอดูใจปุ๊บนะกายหนาวแต่ใจก็ไม่หนาวใจเป็นปกติ พย า, ยามอย่าปล่อยให้เรานะไปรับรู้แต่สิ่งภายนอกอย่างเดียวคนส่วนใหญ่เนี่ยไปรับรู้แต่สิ่งภายนอกแล้วก็จดจอยตรงนั้นแหละบางทีใจก็ไ ป, ไปจดจ่อแต่รูปลดกิ่นเสียงที่รับรู้นะแต่ว่าไม่กลับมาดูกลับมาดูสิ่งหรืออาการที่เกิดขึ้นภายใน มันมีเรื่องเล่านะว่าสมัยที่เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านเว่ยหลางนะท่านเว่ยหลางเนี่ยท่านมีชื่อเสียงมากนะในประเทศจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะในฐานะที่ท่านเป็นสังฆปรินายกองที่หของลัทธิอของนิกายชาญหรือญี่ปุ่นเรียกว่าเซ น, นชานหรือชาญ น, นี่ก็คือชาญในภาษาบาลีพอไปถึงญี่ปุ่นก็ กลายเป็นคำว่าเซนไมตอนที่ท่านยังไม่ได้มีชื่อเสียงเนี่ยแต่ว่าได้รู้ธรรมแล้วท่านก็ระหกระเหินจากวัดที่ตัวเองได้ได้พำนักนะก็มาที่กวางโจมาที่วัดวัดหนึ่งทีอวัดกวงเซี่ยวนะวันนั้นเนี่ยกำลังมีการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์ชื่อดังคนก็มาฟังกันอย่างล้นหลามจนกระทั่ง ล้นออกมาจากนอกสารลาล้นออกมาจากสาลาคนที่อยู่นอกสาลาเนี่ยฟังไปฟังมาก็สังเกตมีคนหนึ่งสังเกตเห็นธงเห็นธงนี่มันพลิ้วพลิ้วสวยก็เลยพูดขึ้นมาว่าธงมันไหวเพื่อนอีกคนยืนอยู่ ใ, ใกล้ก็บอกไม่ใช่ธงไหวลมมันไหวทั้งหากก็เลยถกเถียงกันถกเถียงไปถกเถียงมาคนก็ที่อยู่รอบข้างก็ ละความสนใจจากการฟังธรรมก็มาร่วมถกเถียงด้วยที่แรกก็ถกเถียงตัวลองกลายเป็นโต้เถียงนะแล้วก็กลายเป็นทำท่าจะทะเลาะ ก, กันนะเพราะาต่างฝ่ายต่างก็ยืนนะว่าตัวเองถูกนะคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าธงไว้อีกกลุ่มหนึงว่าลมมันไหวทำท่าจะกลายเป็นการวิวาทกันละจู่ๆก็ได้ยินเสียง คนเหล่านี้ก็ได้ินเสียงท่านเวรหลังพูดซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้จักนะเนี่ยว่าทงว่าใจของท่านต่างหาที่ไหวคนที่กําลังถกเถียงกันอยู่ว่าลมไหวหรือทงไหวนี่ก็สะดุดเลยนะเมื่อได้ยินคําว่าใจท่านต่างหาที่ไหวก็ได้มาเห็นได้มารู้ตัวทันทีแล้วโอ้นี่เรากําลังนะกำลังโกรธกําลังโมโหนะเพราะว่าถกเถียงกันที่ท่านเวรหลังนี้นะท่าน พูดเพื่อเตือนให้คนเหล่านี้ได้หันมาดูใจของตัวอย่าไปมัวสนใจแต่ว่าธงมันไหวหรือลมมันไหวอันนั้นมันเรื่องไกลตัวไอ้เรื่องใกล้ตัวกว่านั้นก็คือใจที่กําลังเป็นทุกข์นะเพราะการถกเถียง น, นั่นแหละพอมาดูใจว่าใจเรานี่กําลังไหวนะไอ้การถกเถียงก็ยุติเลยเพราะว่าทุกคนก็มารู้เอาใจของตัวเองนี่กําลังไม่ปกติแล้ว กำลังมีความขุ่นเคืองนะกำลังมีความโกรธนะพอรู้ตั ว, วใจไหวท่า น, นใจมันเป็นปกติเลยธงก็ยังไหวอยู่ลมก็ยังไหวอยู่แต่ใจเป็นปกติแล้วแล้วก็ลองมาดูใจของเรานะขณะที่เราบ่นว่าอากาศหนาวาการหนาวทำไมาอากาศหนาวอย่างเงี้ยเห็นใจของตัวเองมันหนาวเปหรือเปล่าหรือปล่อยให้ใจหนาวหรือเปล่านะอากาศหนาวนะ ทำให้กายหนาวก็จริงแต่ว่าใจเนี่ยเป็นปกติก็ได้นะอย่าไปาไปปล่อยให้ใจเราเนี่ยไปผูกติดหรือขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมแต่พึ่งตะพือมันไม่จะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอากาศหนาวนะแต่ว่าใจอบอุน่นในทางตรงข้ามนะอากาศร้อนแต่ใจเย็นก็ได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่ทำได้นะแล้วควรทำด้วย คนเรานี่ไม่ใช่ว่าจะต้องสุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเสมอไปสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงแต่ใจเป็นอีกอย่างก็ได้นะมีพี่คนหนึ่งเขาเล่าว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเป็นเช้ า, เ, าเป็นบ่ายวันเสาร์อากาศก็ร้อนต้องไปนอนอต้องนั่งอยู่ในห้องที่เปิดแอร์เปิดแอร์เต็มที่เลยขนาดเปิดแอร์เต็มที่ก็ยังรู้สึกว่ามันร้อนก็ ก็มีความหงุดหงิดเล็กน้อยแต่ไม่นานก็หงุดหงิดมากขึ้นเพราะว่าได้ยินเสียงเป็นเสียงร้องของบุรุษบุรุษไพรสเนียบุรุษไพรสเนียมันจะมาส่งของเขาก็มารออยู่หน้าหน้าประตูเขาเห็นนะว่ามีคนอยู่ในบ้านเขาก็เลยก็เลยร้องเรียกพอไม่มีคนออกมาเขาก็เลยรอ แล้วก็ไม่ได้รอเปล่าเปล่าลก็ก็ร้องเพลงลุกทุ่งไปด้วยเพราะเขารู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านมีเสียงเปิดแอร์เนี่ยดังรถก็มีจอดอยู่ข้างในเจ้าของบ้านเนี่ยพอร่วมบุรุษปรายศนีรอแล้วก็ร้องเพลงค่าเวลาก็เลยต้องออกมาตอนที่ออกมาเนี่ยไม่อยากจะออกเลยนะเพราะว่าอากาศมันร้อนแดดมันแรง อันนี้เกิดผลที่หงุดหงิดนะตอนที่เริ่มได้ยินเสียงบุรุษไปรษเนียเรียกไม่อยากออกแต่ก็ต้องออกเพราะบุรุษไพรษณียก็ร อ, ออยู่นะแล้วก็จะร้องเพลงไปเรื่อยๆถ้าไม่ออกมาก็ก็คงต้องทนฟังเสียงเพลงลูกทุ่งเหมนะก็เลยออกมาดีกว่าออกมาเจอแด่ก็รู้สึกหงุดหงิดยิ่งขึ้นพอรับจดหมายพัสดุจากบุรุษไปรษณีย ก็ถามบุรุษปรายสนีว่าเนี่ยอากาศร้อนอย่างเงี้ยยังมีอารมณ์ร้องเพลงอยูนนนะ่เหรอบุรุษปลายสนีเนี่ยนะเหงื่อเนี่ยเต็มหลังเลยนะเพราะว่าความร้อนพอได้ยินเช่นนี้ก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยพูดอย่างยิ้มยิ้มน้อยๆว่าเนี่ยโรคร้อนแต่ใจมันเย็นนะโรคร้อนแต่ถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับนะผมร้องเพลงแล้วใจมันเย็นนะก็มีความสุข อันนี้มันเห็นความแตกต่างนะคนนึงอยู่ในห้องแอร์นี่แต่หงุดหงิดอีกคนหนึ่งนะอยู่ท่ามกลางแดดที่ร้อนนะแต่ว่ามีรอยยิ้มนะสามารถยิ้มแย้มได้เพราะใจเย็นในะบุรุษระสะนี้เนี่ยทำใจให้เย็นด้วยการร้องเพลงนะแต่ว่าก็ไม่เป็นต้องทำอย่างนั้นก็ได้นะใจของเราสามารถจะเย็นได้ด้วยสมาธิ สามารถเย็นได้ด้วยสติเพียงแค่เรารู้ทันนะรู้ทันว่าใจมันวุวายใจมันหงุดหงิดหรือว่าใจมันไม่สํารวมะนะแค่นั้นเนี่ยมันก็พอแล้วที่จะทำให้ใจนี่กลับมาเป็นปกติอันนี้แหละคือความหมายนะของคำว่าอินทสียสังวรนะซึ่งถ้ารู้ไว้ก็ดนะีหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังนะ อินเซียสังวรคือความสำรวมในอินทรีย์ซึ่งที่จริงก็หมายถึงการดูแลรักษาใจนะไม่ให้ยินดียินร้าย ห, หรือไม่เปิดช่องให้กิเลสเข้ามายามที่รนะับรู้รูปรสกลิกนะลกก่นเสียงสัมผัสหรือธรมรมารมแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่คุ้นกับคำนี้เนี่ยแต่ว่าต้องหมั่นใช้สติเนี่ย ในการทำให้เกิดความสำรวมใจเนี่ยอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะรับรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกา ย, ย <c oughs> ก็จะลืมกลับมาดูใจกลับมารักษาใจแต่ว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีแต่สิ่งที่จะร่าย ใ, ใจของเราเนี่ยส่งออกนอกบางทีก็มีสิ่งร่อเราย้ายยวน นะทำให้อยากจะยินดีทำให้อยากจะคลุกจมอยู่กับสิ่งนั้นเช่นอาหารที่อร่อยเพลงที่ไพเราะนะหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนะที่มันชวนให้ใจลอยใหญ่จดจอเช่นโทรศัพท์มือถือ i ลน์ a c e b o o k อะไรต่างๆนี่เรียกว่าเป็นสิ่งร่เรายัว ย, ยวนรวมทั้งเกมออนไลน์นี่ แต่นอกจากสิ่งรอดเรายอยยวดแล้วบางทีก็มีสิ่งย่วยุนะสิ่งย่วยุที่ทาให้ขุนเคืองหรือว่าโกรธหรืออาจจถึงขั้นคับแค้ น, นเช่นอากาศร้อนรถติดนะไอ้พวกนี้ก็ทาให้งุญหงิดหรือว่างานการที่มีอุปสรรคทำงานไปก็หัวเสียไปรวมทั้งคาพูดของผู้คน ซึ่งอาจจะเห็นทางเฟซบุกหรือว่าโผลมาทางลายหรือว่าคำต่อว่าจากเพื่อนร่วมงานการกระทาของเพื่อนร่วมเพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งยั่วยนะุที่ทำให้ขุนหมวพอเจอทั้งสิ่งยั่วนะย้านะสิ่งยั่วยั่แล้วสิ่งยั่วยุนี่แบบจิมก็ไปเลยนะถ้าหากว่าอะไรที่มันทำให้ยินดีพอใจก็ จิตมันก็จมอยู่กับสิ่งนั้นนะอยากจะอยู่นานๆนะอะไรที่มันมันยุ่ยยุก็อยากจะผักใสนะถ้าผักใสนะไม่ได้เนี่ยหรือว่ามันไม่อยู่ในวิสัยจะผักใสได้ก็โอดครวญโวยวายตีโพยตีพายเนี่ยอันนี้เราไม่เป็นไม่ค่อยเอือ้อนะ ให้เรามาดูใจของเรา้การที่เรามาฝึกปฏิบัติที่นี่เนี่ยมันก็เป็นการเข้ามาอยู่ในบรรยากาศที่เอื้อให้เรากลับมาดูดูใจแล้วยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้าเกิดว่าเรานะมีการฝึกด้ว ย, ยาการฝึกการเจริญสติที่นี่เนี่ยมันก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เราเนี่ยกลับมาหมั่นดูใจบ่อยๆยกายทำอะไรไปก็ไม่ใช่ ก็รู้ว่ากายทำอะไรนะแต่ถ้าว่าใจมันคิดนึกนะก็ก็รู้ทันการที่มันดูใจเนี่ยนะไม่ใช่ว่าต้องไปจ้องนะไม่ใช่ไปจ้องดูใจว่าตอนนี้มันคิดอะไรอย่าไปดักดูก่อนนะมันคิดหรือว่ามันมีอาการกระเพื่อมแล้วเนี่ยจึงค่อยไปดูค่อยไปรู้มัน ในรหว่างที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเราใช้กายเป็นหลักนะมีการเคลื่อนมือมีการยกมือเป็นจังหวะมีการเดินก็ให้รู้กายไปแต่ว่าจะรู้กายได้เนี่ยใจมันก็ต้องไม่ไม่เพ่นพานออกนอกนะก็ต้องหมั่นเนี่ยนะรู้ทันว่าใจมันเผลอคิดไปแล้วก็พาใจมันกลับมากลับมาอยู่กับกายฝึกให้ใจเนี่ยมันอยู่กับกาย ทำใหเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเพรพอถ้าใจเนี่ยมันไม่มันไม่อยู่กับกายเนี่ยมันก็กลายเป็นฟุ้งซ่านกลายเป็นเพ่นพานไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลไปอดีตมั่งหรือไม่ก็ลอยไปอนาคตบั่งแล้วก็ไปหาทุกเนี่ยมาใส่ตัวนะอยู่เฉยเฉยอยู่สบายสบายเนี่ยก็ยังอดไม่ได้ที่จะหาทุกขมาใส่ตัวนะอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานเนี่ยไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ทําให้หดหู่เศร้าใจ โกรธเคืองขับแค้นไปคิดถึงเหตุการณ์ในนัคเที่ยงไม่เกิดเสร็จแล้วก็เกิดความกังวลกระวนกระวายตั้งที่ไอ้เรื่องที่กระ ว, กระวนกระวานนี่มันยังไม่เกิดเลยนะก็ปรุงแต่งมโนไปกับมันซะและ้วอันนี้เป็นเพราะใจมันไม่อยู่กันเนื้อกับตัวมันก็มักจะลงเอยแบบนี้นะแต่พอเร า, เาพยายามพาใจกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวกลับมาอยู่ ก็มารู้ว่ากายกําลังทําอะไรเช่นกายกําลังยกมือหรือว่ากายกําลังเคลื่อนขยับเดินจงกรมนะแต่มารู้สักพักนะมันอยู่กับเนื้อกับตัวสักพักแล้วมันก็ไปใหม่อหน้าที่ของเราคือเอารู้ทันมันแต่ถ้ามันยังไม่ไปก็อย่าเพิ่งไปดักจ้องมันนะมองคนก็ไปดักจ้องว่ามันจะคิดอะไรไหมลืมไปนะว่ามือกําลังยกนะเท้ากําลังเดินเนยะ อันนี้ต้องมารู้นะต้องมารู้ว่าเออมือกําลังยกมือยกสร้างยกสร้างจังหวะเท้ากําลังเคลื่อนขยับรู้เบาๆนะไม่ต้องเพ่งมันรนะหว่างที่ใจไม่คิดอะไรก็รู้กายไปนะแต่เมื่อใจมันคิดไปแล้วเนี่ยจึงค่อยไปตามรู้นะตามรู้เนี่ยไม่ใช่ไปจี้จี้ติดๆนะแต่ว่าหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นแล้วค่อยไปรู้ทีหลังถ้ามันยังไม่คิดมันยังไม่ฟุ้งอ้าวก็ กลับมาดูกายกลับมารู้กายทําวันี้บ่อยๆเนี่ยจิตมันจะมีนิสัยใหม่ก็คือนะมันกลับมารับรู้อาการที่เกิดเงือบใจอยู่เสมอก็คือมันมองตนอยู่เสมอนั่นเองนะแต่อาการมองตนเนี่ยมันมองด้วยด้วยสตินะสติทาหน้าที่เป็นตาในทาหน้าที่ดูทาหน้าที่เห็น รู้ทันอาการที่เกิดขึ้นกับใจรวมทั้งเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายและใจด้วยเวทนาก็มีทั้งสุขและทุกข์นะสบายกายก็ให้รู้นะทุกข์กายก็ให้รู้นะแล้วรู้เฉยๆนะไม่ต้องเข้าไปปลุกปล้ำกับมันนะส่วนใจเนี่ยพอ มีความปวดความเมื่อยหรือความไม่สบายกายขึ้นมาเนี่ยใจมันก็เข้าไปปักตึงอยู่ตรงนั้นแหละมันแปลกนะไอ้ส่วนที่มันไม่ปวดไม่เมื่อยในใจไม่ไม่สนนะไอ้ส่วนที่ปวดเมื่อยแม้เพียงเล็กน้อยแค่นึงเปอร์เซ็นต์เี่ยใจมันก็จดจ่อปลุกป้ามอยู่อย่างนั้นแหละก็เหมือนกับตอนเนี้ยนะร่างกายของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ถูกคลุมด้วยเสื้อนะด้วยด้วยผ้าหรือจีวร มันก็อุ่นนะแต่ใจมันไม่สนนะมันจะสนแด่ตรงที่มันหนาวที่สัมผัสกับอากาศหนาวทาั้งที่ไปจดจ่อหรือสนใจเนี่ยมันก็ยิ่งเกิดความยินร้ายขึ้นมาแต่ทําไมมันถึงชอบจดจ่อตรงบริเวณหรือตรงจุดที่มันทุกข์นะทั้งที่ใจก็ไม่ชอบทุกข์นะใจไม่ชอบหนาวใจไม่ชอบร้อนใจไม่ชอบปวดไม่ชอบเมื่อย แต่มันกลับจดจอไอตรงที่มันปวดเมื่อยตรงที่มันปวดตรงที่มันร้อนตรงที่มันหนาวเคยสังเกตบ้างหรือเปล่านะอันนี้เรียกว่าความยึดติดแบบหนึ่งนะจิตมันอยากจะผลักไสไม่ชอบนะแต่ยิ่งไม่ชอบมันยิ่งยึดติดยิ่งไม่ชอบอะไรยิ่งไม่ชอบตรงไหนมันก็ยิ่งยิ่งยึดติดตรงนั้นเนี่ยแล้วพอยึดติดพอไปจดจ่อก็เกิดอะไรขึ้นเกิดความทุกข์นะ แล้วก็วุ่นวายโวยครวญไม่ชอบจนกรทั่งเกิดความเกิดโทสะขึ้นมายิ่งผลักไสก็ยิ่งยึดติดยิ่งยึดติดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งผลักไสวนไปอย่างนั้นแหละนะยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งยึดติดยิ่งจดจอยิ่งจดจอก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งผลักไสอันนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะความหลงนะตั้งที่จดรู้ว่าจดจอแล้วมันทุกข์ แต่ก็ยังจดจอเนี่ยเรียกว่าเพราะหลงอันเรียกว่าเพราะลืมตัว้ลืมตัวเพราะอะไรเพราะไม่มีสตินะแต่มถ้ามีสตินี่มันไอวงจรที่ว่าเนี่ยมันขาดไปเลยนะจดจอทําให้เป็นทุกข์ทุกข์ก็เลยผักใสผักใสก็เลยจดจอปักตรึงเนี่ยวัตจักรเนี่ยมันเป็นวัตจักรที่ซ้ําเติมตัวเราซ้ําเติมคน ผู้คนมากมายจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีบ้าเป็นบ้าไปเลยหรือไม่กระท่าตัวตายเนี่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสเตปปุ๊บเนี่ยไอวงจรนี่มันจะขาดเลยนะเพราะว่าไอการจดจอปักตึงอยู่กับตรงจุดที่มันปวดมันทุกเนี่ยมันก็จะก็จะคลายนะจิตจะรู้นะจะรู้ตัว ก็เพียงแต่สักแต่ว่าเห็นเฉยๆนะแต่ว่าไม่เข้าไปเป็น น, ะนี่หลวงพ่อคเขียนท่านเป็นคําสอนของท่านง่ายๆเข้าใจง่ายมีทุกขเวททุกขเวทนาเกิดขึ้นกับกายก็เห็นกนะ็ไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปเป็นคือไม่เข้าไปยึดติดแม้ว่ามันจะมีความทุกข์กายเกิดขึ้นแต่ว่าพอเห็นใจมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไ ม, ม่ไม่เกิดอาการยินร้ายขึ้นเพามันนะดูใจของเราเนี่ยนะในเวลาที่มันเกิดทุกขเวทนาขึ้น ตอนนี้มันจะดูได้ง่ายกว่าเวลาเกิดสุขเวทนานะเวลาเกิดสุขเวทนาความสบายใจเนี่ยจิตมันเคลิมนะจิตมันเหมือนกับเฉยเหนื่อยแต่พอมีทุกขเวทนานี่จิตมันจะมีความกระตือรือร้นขึ้นมาแต่ว่ามันมันกระตือรือร้นแบบ overactive เ น, นะภาษาฝรั่งเนี่ย o v e a c t i v e หมายความว่ามันกระตือรือร้นมากเกินไปแทนที่จะเห็นเฉยเฉยมันก็เข้าไปเป็นเลย แทนที่จะทั้งที่รู้ว่าเข้าไปเป็นหรือเข้าไปยึดนี่มันจะทุกข์นะมันก็ไม่สนใจนะมันพยายามผลักใสแต่ยิ่งผลักใสก็ยิ่งยึดติดนะไอ้ภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนี่ยถ้ามันโอเวอร์แอคทีฟเมื่อไหร่นี่ก็เดือดร้อนนะนะเช่นมันแทนที่มันจะไปกำจัดเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายมันไม่ทำแค่นั้นนะ มันยังไปทําลายไอ้เนื้อเยื่อที่มีเชื้อโรคอยู่ข้างในด้วยเวลาปอดติดเชื้อนี่มันไม่ได้แค่ทําลายเชื้อที่อยู่ในปอดมันทําลายเนื้อเยื่อในปอดด้วยพอดทำลายเนื้อเยื่อปอดไปไงมันก็หายใจไม่ออกนะเลือดนี่ก็เข้าไปในปอดเร่งให้ตายเร็วเข้าเนี่ยไอ้โรคซาเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละวัดนกก็เป็นอย่างนั้นแหละมันไม่ได้เกิดจากเชื้อที่เข้ามาในร่างกายนะที่ทําให้คนตายแต่เป็นเพราะว่าไอ้ภูมิคุ้มกันร่างกายเรานี่มัน ไปทําลายเนื้อเยื่อในร่างกายเพราะว่าในเนื้อเยื่อมันมีเชื้อโรคซ่อนอยู่นะอันนี้เพราะมันเรียกว่ามัน overactive คือมัน active เกินไปจิตของเราก็เหมือนกันนะถ้ามัน active เกินไปเนี่ยมันเจอมันเจอสิ่งที่ทําให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นนีงแทนที่มันจะดูเฉยเฉยนะแค่นี้ก็ทําให้ใจในปกติมันก็เข้าไปหลมรันพันตูด้วย ก็กลายเป็นว่าใจก็ทุกข์นะกายก็ทุกข์หนักเข้าไปใหญ่นะให้รู้จักพอดีพอดีนะนะก็คือว่าก็แค่ดูไปเฉยเฉยนะเห็นอาการเกิดขึ้นกับใจก็รู้ตรงนี้แหละที่ทําให้ความสํารวมใจเกิดขึ้นพอสําสรวมใจแล้วใจก็สงบนะให้เข้าใจสํารวมในความหมายนี้ด้วยสํารวมไม่ได้แปลว่าทําให้เรียบร้อยทําให้ดูเรียบร้อยนะแต่มันหมายถึงการทําให้เป็นปกติด้วยเอาช้านี้ยเพิ่กันเท่านี้นะเอาครับนะ